Book ทูแ 87, 87. อดีตการของกริยาช่วยมา s าลามาว ATA กระจาโมดัลหเราต้องรดน้าดอกไม้ kami Har ทควาสะอาดอพารตเมราต้องจาเราต้องางานเ้องาราตอาเรลานเต้นเร m ต้องล้างรนเราต้องล้างจานเราต้องล้างจานเรา i ้องล้างต้องจาราต้อลต้องจราอนเ้ลารอเลา haruskah kalian membayar tagihan คุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่า haruskah kalian membayar biaya masuk คุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่า haruskah kalian membayar denda ah? ใครต้องการลาจากกัน siapa yang harus pamit ใครต้องการกลับบ้านก่อนใครต a ก, กลับบ้านก่อน่อน s ่อน s ไ่อน s ไไ่อ ง, ง s, องง <S อกอน s ไ่อนาไปกอน่น s ไนก่อนไ่อกอ่นน a i ไม่อย i n g ื่มอะไรเราไม่อยากดื่เรามไม่อยากรบกมไมอไรนุณเราไม่อยากรบกวนคุณเราไม่อยากรบกวนคุณเรามีอย น, นั้อนดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์่ย แม่มังอิงินเมนลป่อนตาดีดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่สายอิงินเมมสันตักซิที่จริงดิฉันแค่อยากขับรถกับบ้านสายอิงินปุลังการุ่มหรดิฉันคิดว่า คุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณ Saya pikir kamu ingin menelpon istrimu ดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรสอบถามข้อมูล Saya pikir kamu ingin menelpon bagian informasi ดิฉันคิดว uh ่าคุณอยากสั่งพิซ่า Saya pikir kamu ingin memesan pizza.